ตอนโลกุตต ะ, ะธรรมวันที่ย0สพฤษภาคม2559การาบนกกล่าวมศการพระคุณเจ้าสังมเมนจรคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายสบายเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษปกติพวกครูพูดทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้เนื่องจากเป็นวันพูดได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สุดก็ได้ ทางพุทธศาสนาเราซึ่งเรียกว่าวันวิสาขาบูชานะเรามีเด็กๆรุ่นใหม่ๆเอาว่าปีหนึ่งที่นี่เรามาฟื้นผูเรียนรู้เรื่องวิสาขาบูชาเราปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะต้องพูดบ่อยๆเพราะรุ่นต่อรุ่นบางคนก็ไม่รู้เลยคือคืออะไรนะก็เ ป, เป็นว่าเป็นวันสำคัญที่เขาปาลบว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูตรตัสลูและปรินิพาน นะเรามีเด็กๆนะคำว่าประสูติภาษาโลกเราคือเกิดนะตัดสลุคือบรรลุธรรมและปรินิาภานภาษาเราก็คื อ, อ, อสิ้นพระชนหรือหมดชีวิตคือตายนะวันเดือนตรงกันต่างกันที่ปีนะประสูติได้3 5าพันษานะ ออกแสวงหาโมกกระทำตั้งแต่อายุ29่จน35มพรรษาก็ตัดสั้ธรรมต่างกัน35ปีแล้วก็เผยแผ่อีก45่พรรษาจนมีพระชนมายุ80นะอันนี้ต่างกันอีก45่พรรษาอันนี้คือความพิเศษนะซึ่งไม่เคยคิดว่ามีใครเกิด กับตายตัดสรุวันเดียวกันเดือนเดียวกันซึ่งขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกแล้ววันนี้ก็พระจันทร์ไม่ใช่เต็มดวงเฉยๆนะทรงกฎ ด, ด้วยนะอันนี้ก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ซึ่งไม่ใช่เกิดได้ทุกๆคนนะทีนี้สาหรับพระครูแล้วพระครูมองในเชิงอารมณ์วิปัสนานะคือ เกิดนะประสูติตัสลูปริณิพานในวินาทีเดียวกันในวินาทีเดียวกันนะวินาทีที่ตัศลูนั้นพระพุทธองค์เกิดขึ้นมาในโลกนี้เจ้าชายศรีฐาตายในเวลานั้นถ้าไม่ฆ่าเจ้าชายศรีฐะทิ้งเนี่ยก็บรรลุธรรมไม่ได้นะอันนี้ทัในใดแง่อารมณ์ ของวิปัสนาวินาทีเดียวสามอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะนะ่ะความเป็นเจ้าชายยศถาเนี่ยถูกฆ่าทิ้งละนะคือวางอัตราที่เป็นเจ้าชายยศถาเนี่ยไม่งั้นก็ตัดสู้ทำไม่ได้นะก็เนื่องจากเป็นวันสัปดาทางศาสนาแล้วก็เป็นวิชาการพ่อครูจะถือโอกาสวันนี้วิสาขะเริ่มต้นพ่อครูไม่เคยแบกหนังสือมาเล่มใหญ่ขนาดนี้นะ ไม่ค่อยเป็นคนนักอ่านแต่เมื่อพูดถึงวิชาการแล้วนี่พวกคูจะไม่ไปจำแล้วก็ไม่ไปบิดบิวิดผิวที่เขาเขียนไว้นะก็วันนี้ปกติถ้าใครมีกำลังนะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวมพลังกันทั่วโลกนะตั้งแต่เช้าทำบุญใส่บาต นะและ ว, วันปีนี้เราก็มีโอกาสเลี้ยงพระสัมมาเนจรีเลี้ยงเพกนกลางคืนก็เบียนเทียนหลังจากเบียนเทียนแล้วก็ฟังธรรมหลังจากฟังธรรมได้แล้วเนี่ยปฏิบัติเที่ยงคืนหนึ่งนาทีวันนี้เป็นวันที่พลังเยอะมากเพราะทั่วโลกรวมพลังจิตกันแล้วหลายคนก็บรรลุธรรมในวันนี้วิสาขบาูชา นะใครจะลองก็ได้นะไม่ใช่ภาคบังคับเพราะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะนะเปิดฟอร์ถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีโอเคนะปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูบชาพุทธบูชาวันนี้เรียกว่าเป็นวันพระพุทธก็ได้นะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในวันนี้วันวิสาขาบูชา ทีนี้วันวิสาขาบูชานี้ปัจจุบันเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติก็ได้กําหนดว่าเป็นวันสากลของสหพรชาชาติเพราะเป็นวันให้กําเนิดเมตตาธรรมและสันติธรรมแก่โลกเป็นวันของสหพรชาชาตินะเอาวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสันติภาพโลกนะเพราะพระพุทธเจ้าแสดงตัวเกิดขึ้น ในวันนี้นะสหประชาชาติเป็นวันสากลก็พวกเราก็ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาการปฏิบัติทำในศาสนาพุทธนะไม่ใช่ไปฝึกสตินะไม่ใช่ไปฝึกสมาธิไม่ใช่เจริญสติเจริญสมาธิต้องเจริญมักผลนิพันนะมัก ผลผนิพานแต่การเจริญมกักต้องใช้สติต้องใช้สมาธิใช้ปัญญานะใช้ 5, นะอินรี่ห้าพละห้าสำสมัติประทานสีนะแล้วก็อิทธิบาทสี่โพชงเจ็ดมักมีองแปดใช้เครื่องมือ37ประการที่เรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ใช่ไปฝึกตอนนี้เราไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดก็ไปนั่งแค่สมาธิเจริญสตินะกำลังมันไม่พอ สติสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งหนึ่งในมักมีองแปกนะมักมีองแปกก็ต้องใช้เนี่ยเครื่องมือ37ประการเนี่ยรวมกันหมดเรียกว่าโพธิปักพิยธรรม37ประการเป็นเครื่องมือเดินทางไม่ใช่อยู่แค่สติสมาธิวันนี้เราก็ถือโอกาสล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้ไม่ชีน้อยเราแรงมากทุกคนหาถ้ำตัวเองเนาะ พวกคุณพยานยจะไม่พูดลึกกว่านั้นน่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไสยศาสต ร, ร์นะแต่เขาแสดงตัวแล้วนะเป็นวิสาขะที่ยิ่งใหญ่แล้วคืนนี้ถ้าไม่ง่วงก็ลองดูใหม่นะอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าอย่าอย่าให้โอกาสนี่มันผ่านไปทีนี้คำว่าจเจริญมรรคต้องยึดหลักทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางไม่ใช่ปฏิเสธซ้ายปฏิเสธขวานะคือยอมรับมันทั้งหมด นะแต่ไม่ติดฝ่ายใดเลยและความสายกลางของแต่ละคนเนี่ยความพอดีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่มีสูตรสำเร็จว่าต้องหนึ่งสี่ห้านะเหมือนมีเด็กสามคนเนี่ยคนหนึ่งตัวเล็กกินข้าวชามหนึ่งอิ่มพอดีคนหนึ่งสองชามอิ่มพอดีคนหนึ่งตัวใหญ่ต้องสามชามอิ่มพอดีไอ้โลกยุคปัจจุบันเนี่ยแข่งขันเสรีกว่วได้เปรียบเสียเปียบว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกัน เสว่าเรามีข้าวอยู่หกชามเฮ้ยต้องหารสามต้องเท่าเทียมกันพอหารสามปุ๊บได้คนเราสองชามไอคนตัวเล็กมันกินไม่หมดบอกว่าไม่ได้นะลูกข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาต้องอัดเข้าไปมันทุกมากบางทีอัดเข้าไปอ้วกออกมาอีกทีนี้มีคนที่สองเนี่ยอิ่มพอดีสองชาม แต่คนที่สามให้มันสองชามันไม่อิ่มอ่ะมันอ้วนทุกถึงบอกว่าทุกคนต้องรู้ว่าความพอดีของแต่ตัวเองเท่าไหร่ช้างขี้ไม่ต้องไปขี้ตามช้างนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมแนวที่เราทำอยู่เพราะครูเคยพูดมาหลายปีแล้วว่าถ้าโดยเฉพาะเราเป็นผู้คองเรือนนะระวัง มันเป็นของคู่เมื่อจิตวิญญาณมีการพัฒนาก้าวหน้าแล้วเนี่ยส่วนมากมันจะไปทำลายอะไรล่ะทำลายความปกติโลกิยะสุขของกิเลสถ้าครอบครัวหนึ่งๆไม่ไปด้วยกันนะคนหนึ่งพัฒนาจิตก้าวหน้าเราจะบรรลุ วิชาแรกคือเราจะเพี้ยนเพี้ยนในสายตาคนข้างตัวเราใช่ไหมตอนนั้นทำงานเหนื่อยๆไปเราไปเที่ยวกันกอดคอกันไปเออกินเหล้าก็กินนะเออเมาด้วยกันให้มันเหนื่อยกว่าเก่าแต่พอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ไปเพื่อนรักเราจะบอกว่าไอ้นี่เพี้ยนแล้วเราจะเป็นคนเพี้ยนในสายตาเขาถ้าเราไม่มีอินทรีย์พระละแก่กล้าทุกคนจะแพ้ มันเป็นกรรมที่เราสร้างความผูกพันเคยชินแล้วเน่เขาไม่ได้เปลี่ยนเราเป็นคนเปลี่ยนมันจะคุยกันเริ่มไม่รู้เรื่องอถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนสิ้นคิดนะมีแต่เรื่องน่ากลัวทั้งนั้นกลายเป็นเขาด่าเราไอ้นี่คิดไม่เป็นนะทุกวันนี้เราคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดเพราะเราอยากได้ เพราะเราอยากมีอนาคตเราก็คิดวางแผนไม่มีวันหยุดวันหยุดสร้างโมโนกรรมตลอดทางโลกบอกเป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้าคนไหนคิดไม่เป็นนี่ถูกด่าด้วยอันี้โง่คิดไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นเคนคิดเป็นถ้าจาเป็นต้องคิดจาเป็นนะก็คิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวเองและผู้อื่น ตอนนี้คิดแต่จะเอาเปรียบเขาคิดแต่จะเอาชนะเขาสร้างกรรมตลอดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวโลกภัยไข้เจ็บก็ามานะเราปฏิบัติแล้วปุ๊บเราจะเป็นคนเพี้ยนในสายตาคนข้างตัวเราแล้วก็ยิ่งเป็นคนสิ้นคิดอีกนะเพราะเราไม่ค่อยคิดอะ่ะนะเพราะเราปฏิบัติแล้วเนี่ย เราไม่ห่วงอนาคตเราอยู่ปัจจุบันตลอดนะบางคนกลัวนะเอ๊ะไม่มีอนาคตฉันกลัวมากฉันเรียนเกือบตายเพื่อจะสร้างอนาคตไงเออนั่นแหละพ่อครูบอกคิดผิดคิดใหม่ได้นะเอาชีวิตเราทุกเพื่อไปสร้างอนาคตอนาคตอยู่ไหนนู่นนูนนูน่นนูน่ น, น, น, น, นอยู่ข้างหน้านูนอันนี้ตายก่อนนะตายก่อนสมเร็จไม่มีใครสาเร็จสักคนหนึ่งตายก่อนสมเด็จเพราะเพราะมันไม่มีวันสิ้นสุด เราไม่เคยทำเพื่อชีวิตเลยเราทำเพื่ออนาคตกำลังวาดรูปอยู่มีหน้าที่วาดรูปเราเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมากเราก็วาด50ตแบ่ง 50% ซไปคิดว่าวาดแล้วฉันจะไปทำอะไรเออวาดแล้วจะได้รางวัลหรือเปล่าแทนที่จะตั้งใจวาดร้อยเป็น่นะก็วาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้คืออนาคตของวันนี้สีมันแห้งได้ห 0% แต่ถ้าเราไม่มีอนาคต เราอยู่ปัจจุบันนะเราอยู่ปัจจุบันนะตั้งใจวาดร0 0เลยเนี่ยนะมีสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้อ้มันวาดค้่องแค่วมากนะอารมณ์อะไรก็แทรกไม่ได้นั่นคือความสุขอย่างลิงความสุขนั้นเกิดขึ้นจากเราไม่กังวลอะไรเลยทีนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยสีมันแห้งเราได้ร0 0เนะี่ยเราจะเป็นคนไม่มีอนาคต เพี้ยนแล้วก็สิ้นคิดแล้วก็เป็นคนไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราไม่เลิกปฏิบัติเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราจะเป็นคนไม่มีวันผุดวันเกิดพูดมาทั้ง4อย่างนี่มันไปขัดแย้งกับธรรมชาติของกิเลสอยู่แล้วพว่อครูถึงเตือนนะผู้คลองเรือนให้ระวังถ้าจูงแขนกันปฏิบัติคู่กันไปเนี่ยเราจะคุยกันรู้เรื่องคุยกันจนสุดท้ายไม่ต้องคุย มองตาก็รู้ใจทุกวันนี้พูดคำหนึ่งเถียงมาสามคำคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะทุกคนมีอนาคตของตัวเองนะทุกคนมีธงของตัวเองนะเลยไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะทีนี้ถ้าปฏิบัติแล้วเรากลายเป็นคนเพี้ยนไปทำลายความปกติสุข แบบโลกิยะของกิเลสมันเป็นสิ่งไม่ดีถ้ามันไม่ดีคนที่ไม่ดีที่สุดในโลกใบนี้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาหาพรอครูว่าเขาไม่นิยมพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสพรอครูมีกิเลสอะไรอยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมีย พระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสแต่เจ้าชายสิทธัตถายังมีกิเลสอยู่แต่เป็นกิเลสในทางที่เป็นกุศล <c oughs> พระองค์ไม่ได้ทิ้งลูกเมีย <c oughs> พระองค์วางชั่วข่าวพระองค์รู้ว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปพระองค์ก็ไม่พ้นทุกขคนที่พระองค์รักก็ไม่พ้นทุกกอดคอกันข้ามภพข้ามชาติ พระองค์จึงวางลาหุนวางพระมเมหสีไม่ใช่วางครอบครัวนะวางแผ่นดินต้องดูแลคนทั้งแผ่นดินพระองค์ต้องขึ้นคองลาบถ้าการทำแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเจ้าชายยุธะไม่ดีที่สุดและพวกเรามากราบไหว้ท่านทำไม ตอนนี้ปฏิบัติแล้วผู้คลองเรือนจะเจอปัญหาอย่างนี้พู้ครูเตือนบ่อยๆผู้ครูไม่เคยสอนให้ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวเราไม่มีบา ร, รมีเท่ากับเจ้าชายสิท ธ, ธาธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความลุดพ้นเราสร้างเขาขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบแต่บังเอิญเจ้าชายยุทธะบา ร, รมีพระองค์เยอะมากอย่าไปเปรียบเทียบพระองค์ พระ อ, องค์ไม่ได้ทุกข์อะไรแต่พระ อ, องค์เศร้าเห็นสัตว์โลกทุกข์มากๆมองไปข้างซ้ายก็ทุกข์มองข้างขวาก็ทุกข์พระ อ, องค์เกิดความเศร้าเนื่องจากพระ อ, องค์มีพระมหากรุณามากมายนะพระ อ, องค์ก็เลยต้องวางทุกอย่างความสนุกสนานความสะดวกสบายในมหาปราศาสตรราชมียลออกไปแสแวงหาโม ก, กะธรรมนะ และพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ได้ทิ้งยังไงเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วก็ประโปรดนะผู้คนที่อยู่ข้างตัวพระองค์เนี่ยบรรลุธรรมหมดอันนี้ก็วันวิสาขานี่ถึงเป็นวันที่สําคัญมากระหว่างประสูติตัสลุปรินิพานพวกเราเคยประสูติแล้วหลายชาตินะอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ พวกเราเคยตายแล้วหลายรอบแต่สิ่งที่เราไม่เคยเจอคือตัดสรู้อันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจที่สุดเมื่อเราเสียเวลาสละความสนุกสนานทางโลกแล้วเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรบรรลุธรรมสถานเดียวที่นี้บรรลุธรรมก็ต้องค่อยลดละเลิกมันต้องว่างแล้วมันก็ว่างผลที่เราปฏิบัติเรากลายเป็นคนเพี้ยน เรากลายเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งข้างนอกเลยนั่งเฉยๆก็มีความสุขแต่มันจะเพี้ยนในสายตาคนข้างๆถ้าเราไม่พร้อมที่จะวางข้างๆเนี่ยเราต้องระวังเราก็ต้องหาทางสายกลางระหว่างเขากับเราระหว่างครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมานะนอกจากบา ร, รมีเรามากเหลือเกินเนี่ยเราก็วางได้เหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะที่นี่มีหลายคน ก็วางครอบครัวมาไม่ได้ทิ้งเพราะเรามีปัญญาเดิมเรารู้ว่าคืนอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วเนี่ยคนที่เรารักนี่ก็ไม่พ้นทุกเราเองก็เสียเวลามาหลายชาติแล้วนะไม่ไมีเรื่องแปลกมันคือมรรคผลผนิพพานเมื่อเราปฏิบัติเราจเจริญมรรคก็เกิดผลผลสูงสุดก็คือนิพพานแต่ถ้ายังติดโน่นติดนี่อยู่มันจะนิพพานไม่ได้นะ นั่นหละวันวิสาขามีประสูน ต, ตัสลู ป, ปริณิพานสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตัสลูทีนี้อย่าไปคิดเอาเองคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีโดยเฉพาะสังคมไทยนะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมด้วยอาณาปณสติเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่หมดนะยึดมั่นถือมั่นเพราะตัวเองปฏิบัติอานาปณสติ ถ้าอาณาปนสติเท่านั้นผู้เจ้าก็สอนอย่างเดียวสิทำไมสอนแปดมืนสี่พันพระธรรมขันนะยกตัวอย่างสี่สิบกองกรรมฐานนะเพราะมันนาน า, นาจิตตังมันจะหลิดไม่เหมือนกันนะก็พ่อครูจะถือโอกาสเอาวันวิสาขะเนี่ยพวกเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะยิ่งพวกผู้ใหญ่นะระวังนะอย่าประมาทนะ เด็ก4ี่หขวบเนี่ยเขากำลังจะแสงเราแล้วเพราะครูเห็นลางๆไดละเราจะเห็นพระอริยะอยู่ในร่างเด็กนะเราเรียนรู้ด้วยกันเด็กๆฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างนะทีนี้การที่จะเรียนรู้ว่าแล้วเราจะตัดรู้ทำได้อย่างไรเล่ม น, นี้พวกครูเพิ่งได้มา 80พระอาหารหันต์นะีน่หละจากวันนี้ไปทุกคืนวันอาทิตย์นะเราจะเรียนรู้พระอาหารหันต์หนึ่งรูปเราจะรู้ว่าแต่ละท่านนี่มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันการบรรลุธรรมก็ไม่เหมือนกันนะไม่ต้องไปเปลี่ยนตำราเขาเขียนมาก็ดีแล้วนะแล้วพระครูจะเชิญ คืออย่างนี้แดนแห่งวิมุติ5สถานวิมุตติคือความหลุดพ้นมีหอย่างคือหนึ่งการฟังธรรมนะบางคนฟังธรรมทีหนึ่งมารู้ธรรมเลยนะนะ 2, การแสดงธรรมนะ 3, การสายทะยายธรรม4การตรึกตองพิจารณาธรรม5การทำกรรมฐาน พ่อครูเองเนี่มาถึงจุดนี้เพราะทากรรมฐานสามชั่วโมงเปลี่ยนพ่อคูแต่คืนนี้เราจะเริ่มจากพาระอรหันต์รูปหนึ่งนะบนรรลุจากการฟังธรรมแค่ครั้งเดียวคือพาหิยะนะพาหิยะเป็นลูกพ่อค้าธรรมดาไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยทำไมฟังธรรม ท, ทีเดียวบรรลุธรรมได้นะก็วันนี้จะเปิดโอกาส ต้องมีท่านใดท่านหนึ่งมาเป็นผู้แสดงธรรมการแสดงธรรมก็คือเออเรามาอ่านนะอ่านนะให้เขาเกิดความรู้แต่ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราสามารถสายทยายธรรมนะอธิบายให้มันละเอียดขึ้นนะเมื่อกี้เราบรรยายทําให้เกิดความรู้แต่ถ้าเราสายทยายธรรมเราปุ๊บเนี่ยให้เขาเข้าถึงความจริงนะก็วันนี้พวกคูมองหาคนอยู่ ว่าใครจะเป็นคนแรกนะมาแสดงธรรมเรื่องพาหิยะสุและเราจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันนะเอาเป็นว่าทุกวันอาทิตย์จากวันนี้ไปจนออกพรรษาเรามาเรียนรู้เรื่องตัศลุกันว่ามันมีแบบไหนบ้างนะและเราจะรู้ว่าไม่เหมือนกันเพราะคูยกตัวอย่างนิดนึง หลายปีที่ผ่านมาผู้รู้จบด็อกเตอร์จบป ร, ริญญาเก้ามาแลกเปลี่ยนพระกูเยอะทุกคนก็อ้างพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ทำตามพุทธเจ้ามิตรไปอ่านที่เขาว่าเขาว่าไปจํามาพ่อครกูก็ถามว่ามีใครบ้างที่มีความรู้มากกับเท่ากับพระ อ, อนุนนะเป็นพระเลขาไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทย แปรไทยเป็นไทยทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้รับจากพระโอดโดยตรงเลยแล้วก็สัมผัสวัดปฏิบัติของผู้ที่เจ้าด้วยเห็นไหมใกล้ชิดที่สุดทำไมไม่บรรลุธรรมรู้มากที่สุดแล้วไงแต่พรุ่งนี้ต้องเป็นประธานอาเรียสงเพราะท่านเป็นเลขานะท่านต้องเป็นประธานแต่ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นคืนนั้นมันเพนเพีย น, ยนปฏิบัติถึงสว่าง ก็ไม่บรรลุนอนวางดีกว่าพอกําลังลงไปนอนนี่บรรลุกลางอากาศถามว่าสูตรไหนสูตรพระอา น, นุพ์พระอ น, นุนบรรลุทางเพราะพระอา น, นุ์รู้มากใช่ไหมไม่ใช่พออนนระอานุ์บรรลุทางเพราะวางเราเรียนแบบได้ไหมได้แต่จะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้ลองนะลองยืนก็ตีลังกาลงไปตีลังกาลงไปอาจจะฟุกก็ได้ พระธิเบตเขาทำอยู่นะทิ้งตัวลงไปไหว้ทิ้งตัวลงไปไหว้อาจจะเวลานั้นมันวางแล้วมันก็นว่างก็ได้นะแต่ไม่ใช่สู่สมเร็จว่าใครทำได้นะทุกคนได้ทำแต่ทำได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นนานาจิตต่าังนะก็พวกคุณไม่ต้องขอโทษนะว่าเอมไม่บอกลงหน้าเลยนะไม่ต้องใครจะเป็นคนโชคดีคืนนี้ได้แสดงธรรมเรื่องแรกพาหิยะ นะก็มาอ่านเฉยๆนะอ่านให้ทุกคนได้มีความรู้นะแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันเสาร์นั่งจากขึ้นวิสาขะเป็นวันพระพุทธเราจะฉายซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสด า, า, าโลกอีกรอบหนึ่ง นะทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนออกพรรษานะก็วันนี้พ่อครูเชิญไม่ชีการกันแล้วกันเชิญออกมาข้างนอกไม่เป็นไรอ่านเฉยเฉยอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่เป็นไรเชิญไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไรความจริงก็คือความจริงเนาะมาเชิญมาข้างนอกก็ เห็นน่ะทำไมต้องใส่แว่นบอกอะใครจะแทนเอาไม่ชีห่วงมาแทนเอ็ไม่บุญใครบุญมันนะ พระพาหิยะทารุจิริยะเถระพิสุสาวกผู้เลิศด้านตัดสรุเร็วอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตะในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตะพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดในตระกูลพรามศึกษาศิลปะของพวกพรามจบมีความรู้ในวิ เวทาคาสศาสทั้งหลายอย่างไม่บกพร่องเลยวันหนึ่งเขาไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วมีจิตเลื่อมใสและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งพิสุผู้เริศด้านกิปปาพินยาในวงเล็บตัดสซรุเร็วเขาปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพิสุสงรับมหา มหาทานตลอดเจดวันในวันที่แปดได้ได้มอบลงที่พระบาทของพระศาสดาแล้วทูลความปรารถนาตำแหน่งอันเลิศนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดู ด, ด้วยอนาคตังสยามแล้วทรงทราบว่าจะสำเร็จจึงทรงพยากรพระพาหิยะเล่าถึงชาติหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่า เมื่อพระมุนีตรัสสรรเสริญคุณของพิสุผู้ตัดสรุ้ได้เร็วพันอยู่เราได้ฟังแล้วก็ชอบใจจึงได้ทำศั ก, กระแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เราถวายทานแด่พระมหามุนีพร้อมด้วยภาษาวกตลอดเจ็ดวันถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรถนาฐา น, านดอนนั้นในการนั้น ลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวงเล็บพระผู้ตัดสู้ชอบได้ทรงพยากรณ์เราว่าจงดูพราหมณ์ที่หมอบอยู่แทบเท้าของเรานี้เขาปรารถนาตําแหน่งพิสุผู้ตัดสู้ได้โดยเร็วพันพระมหาวีรเจ้าพระนามว่าโคตามะจากเสด็จอุบัติขึ้นในอนาค ต, ตการเขาจักเป็นธรรมธายาธของพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจัดได้เป็นสาวกของพระศาดาพระศาสดามีชื่อว่าพระพาหิยะตายแล้วบังเกิดในเทวโลกได้เสวยสมบัติในกาาวจรหกชั้นแล้วได้เสวยจกกักรพรรดิสมบัติเป็นต้นในมนุษย์โลกอีกหลายร้อยโกรกับบำเพ็ญสมณะธรรมบนภูเขากับเพื่อนพิสุหกรูป สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะในการของพระพุทธเจ้ากัสปะพระองค์นั้นพระเทระนี้เกิดในตระกูลหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเขาได้บวชเป็นพิสุสถานการณ์พระพุทธศาสนาขณะนั้นเสื่อมโทรมมากท่านและเพื่อนพิสุอีกหกรูปมองเห็นความประพฤติของพุทธบริษัทสแล้วจึงเกิดความสังเวชสลดใจพวกท่านชักชวนกันเข้าไปอยู่ในป่า เห็นพ้องกันว่าพวกเราจะกระทําที่พึ่งแก่ตนเองตลอดเวลาที่พระศาสนายังไม่เสื่อมสิน้นพากันไหว้เจดีทองในวงเล็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาแล้วมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งในป่านั้นจึงพูดกันว่าผู้ใดมีความอาลัยชีวิตก็จงกลับออกไปส่วนผู้ไม่อาลัยในชีวิตจงพากันขึ้นไปยังภูเขาลูกนี้กัน ทั้งเจ็ดรูปพาดไม้เป็นบันไดขึ้นไปบนภูเขาผัดไม้บันไดให้ตกไปเบื้องล่างแล้วเริ่มบรรพีสมณธรรมในบรรดาภิสุทั้งเจ็ดรูปเหล่านั้นพระสังฆเทระในวงเล็บพิสุที่มีพรรษามากสุดได้บรรลุพระอรหันตโดยผ่านไปเพียงราตีเดียวเท่านั้นวันรุ่งขึ้นท่านไปเคี้ยวไม้สีฟันล้างหน้าทิสาอนุดาดแล้วนําไปบินทบาทมาจาก อุตรกุรุทวีปกล่าวแก่พิสุอีกหกรูปให้ฉันบินธบาตแต่พิสุเ่านั้นพูดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเราได้ทำกติกากันไว้หรือว่ารูปใดบรรุพระอรหันต์ก่อนรูปที่เหลือก็จงบริโภคบินธบาต ท, ที่รูปนั้นนำมาพระสังฆเถระกล่าวว่าผู้มีอายุเราไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้นพิสุหรูปกล่าวว่า ถ้าพวกเราได้คุณวิเศษอย่างที่ท่านได้พวกเราก็จะนําบินทบาตมาบริโภคเองในวันที่สองพระเถระรูปที่สองในวงเล็บพรรษารองลงมาได้เป็นพระอนาคามีแล้วนําไปเอาบินทบาตมาเชื้อเชิญให้พิสุที่เหลือฉันแต่ถูกปฏิเสธเช่นกันในบรรดาพิสุเหล่านั้นพิสุรูปที่เป็นพระอรหันต์ได้ปรินิพานแล้ว ส่วนรูปที่เป็นพระอนาคามีมรณภาพแล้วเกิดในพมโรภพิสุอีกห้ารูปที่เหลือไม่สามารถยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้จึงเศร้าโศกเสียใจได้มรณภา พ, าพในวันที่7แล้วบังเกิดในเทวโลกชาติสุดท้ายเกิดในตระกูลพ่อขาในบรรดาอาดีตพระในอบรรดาอาดีตพิสุห้ารูปสมัยนั้นมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมัของพวกเรานี้ คนหนึ่งมาเป็นพระราชาพระนามว่าปุ ก, กุสะอยู่ในกรุงตักกศิลาแควนคันธาระคนหนึ่งมาเป็นพระกุมารกัตสปะคนหนึ่งมาเป็นพระพาหิยะทารุจิริยะคนหนึ่งมาเป็นพระทัพพระมัตตบุตรคนหนึ่งมาเป็นพระซาพิยะในวงเล็บอดีตปริภาชกท่านพาหิยะเกิดในตระกูลพ่อค้าที่ท่าเรือสุ ป, ปรกะ เป็นครอบครัวที่ถึงความรุ่งเรืองในพาณิชยกรรมมีทรัพย์มากมีโภคะมากอัศการเอกนิบาตว่าท่านชื่อว่าพาฮิยะเพราะเกิดในพาฮิยะรัฐหมายถึงแขวนภายนอกแว้นภาคกลางต่อมาท่านนุ่งผ้าทาด้วยไม้จึงเรียกว่าทารุจิเรียเรือแตกนุ่งผ้าเปลือกไม้กลายเป็นพระอรหรันต์ปอม ครั้งหนึ่งเขาขึ้นเรือไปเพื่อไปค้าขายต่างแดนยังสุวรรณภูมิพร้อมกับพวกพ่อค้าเรือเดินทางไปได้ไม่นานก็อับปางคนบนเรือถูกปลาร้ายและเต่ากัดกินเป็นอาหารเหลือแต่เขารอดคนเดียวเขาเกาะไม้กระดานแผ่นหนึ่งแหวกว่ายน้าวันที่เจ็ดก็ถึงฝั่งแห่งท่าเรือสุ ป, ประกะในสภาพไม่มีผ้านุ่งและผ้าหม่มในวงเล็บเปือย เขามองไม่เห็นใครเลยจึงเอาปอผูกกับเปลือกไม้แห้งทำเป็นชุดนุ่งและหม่มหิวแล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถานและแหวกนั้นเข้าไปยังท่าเรือพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วต่างให้ยาคูและอาหารและยกย่องว่าท่านผู้นี้คนเดียวเป็นพระอารหันต์มีชาวบ้านนำผ้านุ่งห่มมาให้มากมายเขาคิดว่าถ้าเรายอมนุ่งหรือห่มผ้าลาบและสักการะที่เราได้ก็จะเสื่อมไป จึงพูดปฏิเสธผ้าเหล่านั้นใช้สอยเฉพาะผ้าเปลยไม้อย่างเดียวในวงเล็บจึงได้ชื่อว่าทารุจิริยะคือพาหิยะผู้นุ่งนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้เมื่อเขาได้รับยกย่องจากประชาชนเป็นอันมากว่าเป็นพระอารหันต์เขายิ่งเชื่อผิดต่อไปว่าพวกที่เป็นพระอารหันต์หรือว่าปฏิบัติดำเนินไปเพื่อบรรลุพระอารหันตที่มีอยู่ในโลกนี้ตัวเราก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้น จึงยังคงเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงคนอื่นต่อไปอัทธกถาอุทานว่านุ่งผ้าคากรทำด้วยเปลือกไม้บาลีอุทานบรรยายว่ากุลบุตรชื่อพาหิยะทารุจิริยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุ ป, ปักรกะใกล้ฝั่งสมุทรเป็นผู้ที่มหาชนสั ก, กระเคารพนับถือบูชาย่ำเกรง ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีระคีลานปัจจัยเพษัทบริขารอัฏฐากถาว่าท่านปรารถนาเพียงให้คนยกย่องแต่ไม่ปรารถนาลาบสักระและสรรเสริญอัฏฐากถาเองนิบาทว่าพาหิยะใช้สาหลายในหนองน้ำแห่งหนึ่งพันตัวถือภาชนะใบหนึ่งเข้าไปขออาหาร ชาวบ้านทั้งหลายเห็นเขาแล้วพูดกันว่าถ้าในโลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่จริงก็คงปฏิบัติอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้านี้ไม่รับผ้าเข่งครัดจริงหรือหรือถ้ามีใครให้ผ้าก็คงจะรับจึงทดลองมอบผ้าให้เขาพระฮิยะคิดว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้คนเหล่านี้ก็คงไม่เลื่อมใสเราจำเราจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลอกลวงคนเหล่านี้ เราจะเดำรมชีพอยู่ได้เขาจึงไม่ยอมรับผ้าที่มีผู้ให้ยิ่งทําให้ชาวบ้านเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นยามที่เขาจะกินอาหารก็ไปกินที่เทวสถานมีคนเดินไปกับเขาให้เขาบริโภคด้วยบํารุงดูแลด้วยเทวสถานด้วยบํารุงดูแลเทวสถานด้วยเขาคิดว่าคนเหล่านี้เลื่อมใสาการนุ่งสารายของเราแล้วทําศักระเรา เราจะทำเป็นเข่งคลัดขัดเก่ายิ่งขึ้นแล้วนำแผ่นกระดานไม้มีน้ำหนักเบามาถากคุมด้วยเปลือกไม้อีกทีทำเป็นผ้านุ่งหม่มคือตอนแรกนุ่งสาหลายต่อมาเปลี่ยนมานุ่งผ้าเปลือกไม้พระพาหิยะเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหัสต์แล้วว่าเราเกิดเป็นบุรุษชื่อพาหิยะในพารุกัดฉนครภายหลังแล่นเรือไปได้สองสามวัน เรือก็อับปางพยายามว่ายข้ามทะเลใหญ่ไปถึงท่าสุประรกะแล้วนุ่งผ้าคากองเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตหมู่ชนยินดีกล่าวว่าพระอารหันต์มาที่นี้แล้วพากันทาสักก า, า, าระพระอรหันต์ด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนและเพศัตว์จนเราเกิดความดําริไม่แยบคายว่าเราเป็นพระอารหรันต์ มหาพรมอดีตเพื่อนพิสษุเตือนว่าผิดทางแล้วบอกว่าพุทธะเกิดแล้วต่อมามีเทวดาผู้รู้วารจิตมาตักเตือนแล้วบอกให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราลี้ไปยังเมืองสาวัตถีพบพระพุทธเจ้าแล้วได้หมอบลงกาบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ผู้เสียหายเป็นในทางผิดด้วยเถิดพระาศาสดาตัดว่า เรากำลังเดี่ยวบินธบาติไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมเราทูลอ้อนวอนบ่อยๆพระ อ, องค์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตะบทอันลึกซึ้งแก่เราอัากถาอุปทานแล้วว่าครั้งหนึ่งเท้ามาหาพรหมในพรหมโรสุทธาวาสผู้เคยเป็นหนึ่งในพิสุ7รเจูปสมัยพระพุทธเจ้ากัดสปะท่านพิจารณาดูพรหมสมบัติของตนนึกย้อนถึงก่อนที่จะมาบังเกิดในพรหมโรก และรำพึงถึงพิสษุห้ารูปที่ยังไม่บรรลุอริยธรรมว่าเกิดอยู่ที่ไหนบ้างเนอะมหาพรหมจึงไดเห็นพระมหาพรหมจึงไดเห็นพาหิยะทารุจิระยะเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความหลอกลวงคิดว่าคนผู้นี้เป็นคนพามชิบหายแล้วเนอะในการก่อนเขาเคยบำเพ็ญสมณะธรรมไม่ยอมฉันแม้บิณฑบาต ท, ที่สมควรเขาประพฤติอุ ก, กิจยิ่งนัก แต่บัดนี้กลับทำไม่สมควรเพราะเหตุแห่งท้องอ้างว่าเป็นพระอาหารหันต์เที่ยวหลอกลวงชาวโลกอยู่เขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในวงเล็บตัดสรู้แล้วเราจะไปทำให้เกิดความสังเวชจะให้เขารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในเวลาแห่งราตีเท้ามาหาพรหมลงจากพรหมโลกปรากฏกายอยู่ข้างหน้าพาหิยะ ณท่าเรือสุ ป, ปาระกะภาหิยะเห็นแสงสว่างส่องเข้ามาในที่อยู่ของตนจึงออกมาดูข้างนอกเห็นแล้วทำอัญชลีถามว่าท่านเป็นใครกันท้าวมหาพรหมตอบว่าเราเป็นสหายเก่าของท่านเราได้บรรลุอนาคามีผลแล้วไปบังเกิดในพมโลกหัวหน้าของพวกเราเป็นพระอาราหันต์ปรินิาพานแล้วส่วนพวกท่านห้าคนไปบังเกิดในเทวโลก ในวงเล็บแล้วจากเทวโลกมาสู่มนุษย์บัดนี้เราได้เห็นท่านเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงด้วยเหตุนี้เราจึงมาเพื่อสั่งสอนท่านพหิยะตัวท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่างไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามทางพระอรหันต์เลยท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติตามทางพระอรหันต์ด้วยปฏิปทาใดปฏิปทานั้นไม่ได้มีแก่ท่านเลย จากนั้นเท้ามหาพรหมบอกแก่เขาว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วขณะนี้เสด็จประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีอยู่ทางอุตุอุตรชนบทขอให้ท่านรีบไปเข้าเฝ้าเพราะพระองค์เป็นพระอระหรันและทรงสแสดงธรรมเพื่อให้คนเป็นพระอระหันด้วยกล่าวเสร็จแล้วก็หายกลับไปพรมโรคตามเดิมพาหิยะมองดูเท้ามหาพรหมผู้ยึ ผู้ยืนกล่าวอยู่ในอากาศแล้วจากไปคิดว่าโอ้เราได้ทำกรรมหนักหนอเราไม่ได้เป็นพระอารหันต์แต่คิดว่าเป็นพระอารหันต์เดินทางไกลร2อยยสยอดเข้าเฝ้าบาลีอุทานเล่าว่าเทวดาในวงเล็บอัถกถ า, าหมายถึงโรมผู้เคยเป็นสหายผู้เป็นสายโลหิตในการก่อนของพาหิยะทารุจิริยะวังอนุเคราะห์หวังประโยชน์ ได้มาเตือนถึงความไม่เป็นพระอารหันต์และไม่มีปฏิปทาเพื่อเป็นพระอารหันต์ด้วยพาหิยะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้บัดนี้ใครเล่าเป็นพระอารหันต์หรือเป็นผู้ถึงอรหัตมรักในโลกกับทั้งเทวโลกเทวดาตอบว่าดูก่อนพาหิยะในชนบททางเหนือมีพระนครชื่อสาวัถีบัดนี้พระผู้มีพระภาค พระอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นประทับอยู่ในพระนคร น, นั้นดูก่อนพาหิยะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นแหลเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนท่านทรงสแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระ อ, อรหันต์ด้วยพาหิยะเกิดความสลดใจหลีกไปจากท่าสุ ป, ปารักกะในทันที ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันโดยการพักแรมสิ้นราตีหนึ่งในที่ทั้งปวงอัก ฐ, ฐากะฐากะอุอนเล่าว่าพาหิยะเกิดปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หลังได้ยินคำว่าพุทโธและถูกความสังเวชใจตักเตือนอยู่จึงมุ่งตรงไปยังจึงมุ่งตรงไปกรุงสาวสถีโดยพักแรมราตีเดียวในที่ทั้งปวงท่านว่า จากท่าสุ ป, ปาระกะกับกรุงสาวธีนั้นห่างกัน120โยชน์ประมาณ 1,920 กิโลเมตรพักแรมเพียงราตรีเดียวถามว่าทำได้อย่างไรตอบว่าเพราะอนุภาพของเทวดาแต่อาจารย์บางพวกว่าเพราะพุทธานุภาพจากนั้นท่านอธิบายว่าโดยพักแรมราตรีเดียวในที่ทุกสถานประหนทางมีระยะ120โยชน์ ในระหว่างทางท่านไม่ให้อรุณที่สองตั้งขึ้นในที่ที่ตนอยู่ตอนกลางคืนในคามนิคมและราชธานีจึงไปถึงถึงกรุงสาวัตถีโดยพักแรมราตรีเดียวในที่ทุกแห่งข้อนี้ไม่ปึงเข้าใจอย่างนี้ว่าท่านอยู่ในหนทางนั้นทั้งสิ้นเพียงราตรีเดียวเพราะประสงค์เอาความนี้ว่าโดยพักแรมแห่งละราตรีในหนทางทั้งหมดมีระยะทาง 120โยชน์โยตในวันสุดท้ายเวลาเย็นจนถึงกรุงสาวัตถีแต่อัตถคขาอุปทานว่าออกจากท่าสุปราร ก, กะในขณะนั้นนั่นเองแล้วได้ไปยังกรุงสาวัตถีโดยคืนเดียวขณะกำลังเดินทางก็ไปด้วยอนุภาพของเทวดาและด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าจึงทาให้เขาเดินทางไปได้ถึง120ยโยถึงกรุงสาวัตถี ทูลวิงวอลขอฟังธทมขนาดเสด็จบิณฑบาตพระพาหิยะคารุจิระเข้าไปพบพิสุจน์จำนวนมากจงกมอยู่ในที่แจ้งเขาเข้าไปถามหาพระพุทธเจ้าพระพิสูจน์ตอบว่าพระาศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในละแวก บ, บ้านกรุงสาวัตถีอัตตะถาอุทานว่าถึงสาวัตถีเวลายเย็นเรารีบ ด่วนออกจากพระเชตวันวิหารเข้าไปยังกรุงสาวัตถีก็ได้เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู่ด้วยพระอาการหน้าเลื่อมใสมีอินทรียสงบและปัทไทสงบตัดปฏิเสธสองครั้งเพราะทรงเห็นบารมีที่ยังไม่แก่ก้าพาหิยะเข้าไปหมอบลงแท่พระบาทด้วยเสียงก้าวกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดสแสดงโปรดทรงสแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นการละนานตรัสว่าดูก่อนภาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเพราะเรายังอยู่ระหว่างวินทบาตภาหิยะกราบทูลขอให้ทรงสแสดงธรรมแม้ครั้งที่สอง พระพุทธเจ้าก็ยังทรงปฏิเสธครั้งที่สามพาิยะกราบทุนเหตุผลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ อัตถกฐานอุทธ า, ธ า, นอานเล่าว่าทรงทราบ ว, ว่าพาหิยะมาถึงแล้วทรงพาดําริว่าตอนแรกอินทรีของพาหิยะยังไม่แก่กล้าแต่รอสักครู่จักจัดถึงความแ ก, ะกะ่กล้าทรงรอคอยความแก่กล้าของอินทรีย์5มีศรัทธาและวิริยะเป็นต้นของเขาจึงเสด็จเข้าไปทรงบาทในกรุงสาวรีพร้อมพิสูจ์สงมู่ใหญ่ พาหิยะเข้าไปในพระเชตวันถามหาพระพุทธเจ้าพิสูจ์ทั้งหลายก็ถามเขาว่ามาจากไหนตอบว่ามาจากท่าสุปาระกะ พ, พวกพิสูจนขอให้เขานั่งพักก่อนรอสักพักพระาศาสดาก็จะเสด็จกลับเข้ามาพาหิยะกล่าวว่าท่านขอรับก็ผมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของผมว่าจะอยู่กี่วันก็ผมไม่อาจ น, นั่งรอหรือยืนนานๆในที่ใดๆ ก็ผมเดินทางไกล120ยยี่ร้ยี่สิบโยเมื่อได้เฝ้าพระศาสดาแล้วจึงจะพักผ่อนท่นพาหิยะติด ต, ตามไปก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาจึงเขาเกิดความร่าเริงยินดีว่าดีจริงเนอเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคจ้าเสีทถีสรีระของเขาเกิดปิติห้าประการถูกต้องตลอดเวลา ดวงตานิ่งพอปิติทราบทราม น, น้อมกายลงในที่ที่ได้เห็นแล้วเขาอยู่ในถามกลางรัศมีของพระวรกายเข้าไปใกล้ถวายบังคมด้วยเบญจางขปดิ์นวดเฟนนวดเฟนพระพุทธพระยุคลบาทจุมพิษพลางกราบทูลให้ทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าอินทรีย์ของเขายังไม่แก่กล้าจึงตัดให้เหตุผลว่า ยังอยู่ระหว่างบินธบาปแต่ท่านพาหิยักกลาบถูนเหตุผลถืออันตรายต่อชีวิตอาจารย์พวดหนึ่งว่าเพราะท่านรู้อันตรายแห่งชีวิตของตนจากเทวดาอีกอย่างหนึ่งท่านถูกอุปนิสัยตักเตือนจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้มีพบสุดท้ายห า, หากยังไม่บรรลุพระรหัตท่านจะยังไม่สิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าตัดห้ามสองครั้ง เพราะพระ อ, องค์มีพระดำริว่าตั้งแต่เวลาที่พ า, า, าหิยะมาเห็นเราสรีระทั้งหมดของเขาถูกปิติท่วมจิตไม่ขาดระยะกำลังปิติรุนแรงแม้ฟังธรรมได้ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้จึงห้ามไว้ตราบเท่าที่การวางใจเป็นกลางยังไม่เกิดขึ้นและเขามีความกระวนกระวายทางกายอันเนื่องมาจากการเดินทางร2 0ยยโย ด, ด้วย อาจารย์บางพวกกล่าวว่าทรงห้ามเพื่อให้เขาเกิดความเอื้อเฟื้อในการฟังธรรมเมื่อถูกขอร้องถ้าเป็นครั้งที่สามทรงเห็นว่าจิตของเขามีการวางใจเป็นกลางมัชฉัตุเตกขาระ ง, งับความกวนกวยได้และอันตรายแห่งชีวิตของเขาปรากฏจึงทรงเห็นว่าเป็นการที่จะแสดงธรรมแล้ว อัตถกาถาอุปทานว่าเขาวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญบุคคลผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่เคยได้อาหารคือคำข้าวไม่มีเรื่องนี้ข้าพระองค์รู้แต่ข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายในชีวิตของพระองค์หรือว่าของข้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมโดยย่อท่านพาหิยะบร ร, รพุพระอาราบลำดัดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภาหิยะเพราะเห็นนั้นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นสักว่าเห็นทิฏฐะเมื่อฟังจะเป็นสักว่าฟังสุตตะเมื่อทราบจะเป็นสักสักว่าทามุตตะเมื่อรู้แจ้งจะเป็นสักว่ารู้แจ้งวิญญาตะดูก่อนพาหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล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 ท่านพัทยาฟังแล้วมีจิตหลุพดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขนะนั่นเองด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนแล้วเสด็จหลีกไปอธิบายพระธรรมเทศนาอัทธกถาดุอุทานอธิบายว่าทือพึงศึกษาว่าจักขุวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเท่านั้น หาเห็นสภาวะลักษณะมีอนิจจารักษณะเป็นต้นไม่ชันใดรูปที่เหลือจะเป็นเพียงแห่งด้วยเห็นด้วยวิญญาณก็เป็นไปทางจากสุทวาร น, นั้นเท่านั้นอีกอย่างหนึง่งการรู้แจ้งซึ่งรูปในรูปด้วยจกักขุวิญญาณชื่อว่าเห็นรูปในรูปที่เห็นจกักขุวิญญาณย่อมไม่กำหนัดขัดเคืองหรือหลงในรูปที่มาปรากฏฉันใดเราจะตั้งชวนจิต ด้วยประการแห่งจกักขุวิญญาณอย่างนี้ด้วยชวนจิตของเราจะเป็นเพียงจักขุวิญญาณเท่าน <się S 1> ั้นเพราะเว้นจากราคาเป็นต้นรูปที่จักขุวิญญาณเห็นชื่อว่าทิฏฐะเสียงที่โสตวิญญาณได้ชื่อว่าสุตตะกลิ่นรสและโผฏฐะที่คานวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณได้กลิ่นได้ได้ลิ้มได้สัมผัสชื่อว่ามุตตะ อารมณ์ที่รู้ทางมนุษวานชื่อว่าวิญญาตะพระพุทธเจ้าทรงจำแนกอารมณ์อันแตกต่างโดยประเภทแห่งอารมณ์หกพร้อมด้วยวิญญาณหกอย่างย่อและตามความพอใจของท่านพาหิยะด้วยวิปัสนาได้โกดทาสสะทั้งสี่แห่งเช่นรูปที่เห็นแล้วเป็นต้นแล้วทรงแสดงยาตะปริญญาและตีรณปริญญาชื่อรูปารมณ์ชื่อว่าทิฏฐะ เพราะอัฏฐว่าอันจกักขวิญญาณพึงเห็นส่วนจกักขวิญญาณพร้อมวิญญาณที่เป็นไปทางจักขุทวานนั้นชื่อว่าทิฏฐะเพราะอัฏฐว่าเห็นทั้งสองอย่างนั้นเป็นเพียงธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นในเรื่องนี้ใครๆจะทําเองหรือให้ผู้อื่นทําก็หาได้ไม่จกักขวิญญาณ น, นั้นชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีแล้วกลับไม่มีชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะถูกความเกิดขึ้นและความดับไปบีบคั้นชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอัฏถะว่าไม่เป็นไปในอำนาจในเรื่องนั้นจะเป็นโอกาสของธรรมเช่นความกำนัดเป็นต้นของบัณฑิตในที่ไหนดังนี้เป็นต้นท่านพาหิยะฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วชำระศีลให้หมดจดอาศัยสมาธิจิตตามที่ได้แล้วเริ่มวิปัสนาเป็นขิปปะพิญญาบุคคล ทำอาสวะทั้งปวงสิ้นไปบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาขณะนั้นนั่นเองท่านตัดกิเลสดุดกระแสน้ำในสงสารทำที่สุดแห่งวัดทุกได้ทรงร่างกายครั้งสุดท้ายถูกธรรมดาที่เป็นไปตามปั จ, จเวะคณะยาน19เกตักเตือนกราบทูลขอบวชแต่ไม่เคยทำบุญด้วยบาและจีวรจึงไม่ได้บวชอธากถาทรมบทเล่า ว, ว่า ท่านพาหิยะบรรุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่แล้วท่านกรากบทูลขอบวชพระาศาสดาตรัสถามว่าบาตรและจีวรของเธอมีครบแล้วหรือท่านทูลว่ายังไม่มีพระเจ้าค่ะตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงหาเธอจงสแสวงหาบาตรและจีวรแล้วเสด็จหลีกไปท่านว่าสมัยที่ท่านพาหิยะบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สองหมื่นปี ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนั้นตัวท่านคิดว่าธรรมดาของพิสูจเมื่อได้ปัจจัยมาแล้วควรบริโภคเองจึงไม่ควรเอาไปให้ใครๆท่านไม่เคยทําการสงเคราะห์ใครด้วยบาและจีวรแม้แต่จะให้แก่พิสูุรูปหนึ่งพระศาสดาทรงทราบว่าบาและจีวร อ, อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์จะไม่เกิดขึ้นแก่เขาจึงไม่ได้ประทานการบัตรประชาให้ ท่านไม่มีอุปนิสัยแห่งเอหิภิกุอุปสัมปทาแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าท่านเคยใช้ธนูยิงพระปัเจตพุทธเจ้าชิงเอาบาทและจีวรไปถูกโคแม่ลูกอ่อนขิดปรินิพานบาลีอุทานเล่าต่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานมีโคแม่ลูกอ่อนวิ่งเข้ามาขีดท่านล้มลงเสียชีวิต พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยแล้วทรงมีพิสุตามเสด็จจํานวนมากทอดพระเนตรเห็นท่านพาหิยะรุจิริะรุจิร ะ, ะตายแล้วท่านให้พิสุทั้งหลายช่วยกันยกสรีระของท่านขึ้นเตียงแล้วนําไปเผาจากนั้นทําสถูปไว้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายพาหิยทารุจิระประพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอกับเธอทั้งหลายเช่น ปฏิบัติอทิศินเป็นต้นจึงเป็นพมมาสพมจารีทำกาละแลพิสูจน์ทั้งหลายช่วยกันดําเนินการตามพระพุทธเจ้าดํารัสพิสูจน์เหล่านั้นพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสรีระของพาหิยะทารุจิริยะข้าพระองค์ทั้งหลายเผาแล้วและสถูกของพาหิยะทารุจิริยะนั้นข้าพระองค์ทําแล้ว ข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายทำไว้แล้วคติที่ไปของพาหิยะทารุจิริยานั้นเป็นอย่างไรพบเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรตรัสตอบว่าพิสูจน์ทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยาเป็นบัณฑิตดำเนินไปด้วยปัญญาและบรรลุอรหัตตะมักด้วยปัญญาปฏิบัติธรรมคือวิสุด์ที่เจ็ดสมควรแก่ธรรมคือโรกุตตะธรรมทั้งไม่ทาให้เรา ลำบากข้อการแสดงธรรมพิสูจนทั้งหลายพาหิยาทารุจิริยาปริณิพานแล้วจากนั้นทรงเป็่งอุทานว่าดินน้ำไฟและลมย่อมไม่อย่างลงในนิพานธาตุใดในนิพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างพระอาทิตย์ย่อมไม่ปรากฏพระจันทร์ย่อมไม่สว่างความมืดย่อมไม่มี ก็เมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีพ่อรู้อริยสัจสี่แล้วด้วยตนเมื่อนั้นพรามย่อมหลุดพ้นจากรูปและอรูปจากสุขและทุกข์บรรยายกิจก่อนปรินิพานอัตถคถาธรมมบทบรรยายว่าพาหิยะแสวงหาบาและจีวรอยู่นั้นแหลนางยักษีนีตนหนึ่งแปลงมาในรูปแม่โคนุมขิดเข้าตรงขาอ่อนข้างซ้ายให้ถึงความสิ้นชีวิต อ, ธาธาอัธาคถาอุทานว่ายักษีแปลงเป็นโคแม่ลูกอ่อนด้วยจิตอาฆาตในอัตภาพก่อนขิดเขาสิ้นชีวิตอยู่ในที่กองอยากเย่ออัธาคถาเองนิบาตว่าพาหิยาสแสวงหาบาทและจีวรขณะกำลังดึงพระชิ้นผ้าทั้งหลายออกจากกองขยะก็มีอามนุษย์ผู้มีเวรกันมาแต่ปางก่อนเข้าสิงล่างโคแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งทาให้สิ้นชีวิต พระศาสดาสเสด็จ ก, กลับมาแล้วตรัสให้ยกล่างไปทาชาปนากิจกิจในการเผาโปรดให้สร้างเจดีย์ไว้ในทางใหญ่สี่แพง่งท่านปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุเคยฆ่าโสเพณีจึงถูกตามล้างแค้นท่านว่าในอดีตนั้นท่านพาหิยะเป็นหนึ่งในสี่บุตรเศรษฐีทั้งหมดเป็นสหายกัน วันหนึ่งพวกเขานำหญิงโสพินีไปร่วมอภิรมในอุทยานตกเย็นพวกเขาได้ฆ่าหญิงนั้นชิงเอาเงินพันกระหาปณะนะแล้วชิงเครื่องประดับที่พวกตนให้แก่หญิงนั้นคืนมาก่อนตายหญิงนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มียางอายร่วมอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเราจะตายแล้วขอให้เราเป็นนางยักษ์ฆ่าพวกเขาเหมือนอย่างที่พวกเขาฆ่าเราในชาติล่าสุดบุตรเศรษฐีสี่คนนั้น ได้มาเป็นปุกุสาติบรรลุพระอนาคามีหนึ่งพระพาหิยาทารุจิริยะหนึ่งเพชชฆาตฆ่าโจรชื่อตามพระทาทิกะภาษารีบุตรสงเคราะห์ไปสวรรค์นหนึ่งพระสุปปาพุทธกุธตติบรรลุเป็นพระโสดาบันหนึ่งทั้งหมดหล้วนถูกนางยักษ์ตามฆ่าคืนท่านพาหิยะบรรลุทมตอนไหนเมื่อพระพุทธเจ้าตอบว่า พาหิยะบริญิพานแล้วพระพิสุทูลถามว่าท่านพาหิยะบรรพุษพระอรหันต์ที่ไหนตรัสว่าในที่ฟังธรรมของเราทูลถามว่าพระองค์แสดงธรรมแก่ท่านในเวลาไหนตรัสว่าเมื่อเรากําลังบินถบาทกําลังยืนอยู่ระหว่างถนนวันนี้เองทูลถามว่าธรรมที่พระองค์ยืนตรัสในระหว่างถนนนั้นมีประมาณน้อย ท่านพาหิยะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงเท่านั้นได้อย่างไรตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเธออย่าประมาณธรรมของเราว่ามีน้อยหรือมากแม้คาถาตั้งหลายพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยส่วนบทคาถาแม้บทเดียวซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ยังประเสริฐกว่าแล้วตัดพระคาถาว่า ถ้าคาถาแม้ตั้งพันแต่ประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์คาถาบทเดียวซึ่งเมื่อฟังแล้วสามารถสงบะระดับระงับได้ประเสริฐกว่าถึงความเป็นเอคาทัตทะทัคะอัถคาถาอุทานกล่าวว่าท่านภาหิยะเป็นผู้ควรแก่การบูชาด้วยเหตุเพียงปริณิพันธ์อย่างเดียวก็หาไม่โ ด, โดยที่แท้ท่านเป็นผู้สมควรแก่การบูชา แม้ด้วยภาวะอันเลิ่ดกว่าบุแม้ภาวะแม้ด้วยภาวะอันเลิ่ดกว่าพิสุสาวกผู้เป็นขี ป, ปาพิญญาณคือตัดสรู้เร็วพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าพิสุทั้งหลายพระพาหิยทารุจิริยะเลิ่ดกว่าพระพิสุสาวกของเราผู้ตัดสรู้ได้เร็วพันคือพระเถระนี้บรรลุพระอรหันต เมื่อจบพระธรรมเทศนาอย่างย่อไม่มีกิจจะต้องเป็นจะต้องบริกรรมมรรคผลทั้งหลายคือไม่ต้องเพียรพยายามในกรรมฐานมากท่านจึงเป็นยอดของพิสุตผู้ตัดสรู้เร็วแม้ท่านพาหิยะจะไม่ได้รับการบัตระชาอุปสมบทแต่เจตนาที่จะบวชเป็นพิสุมีอยู่และแม้ท่านจะไม่ได้บวชโดยเพศแต่บวชสมบูรณ์แล้วด้วยคุณคือความเป็นพระอารหรันต ท่านจึงได้รับการจัดเข้าเป็นพิสุอริยะสงฆ์อย่างที่อัฏฐคถาเล่าว่าพวกพิสุสงสัยกันว่าท่านพาหิยะบรรุธรรมเร็วเขาไปเป็นสัมมณีหรือพิสุหนอตรัสว่าพิสุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะดำรงอยู่ในพระอรหัสตและตรัสว่าพาหิยะนั้นปรินิพานเอวัง ก็าสาธุสาธุสาธุนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่างน้อยได้ฝึกขันตินะทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะไม่รู้เรื่องภาษาแต่ขึ้นที่เป่งออกไปเนี่ยถ้าเราจิตสงบเนี่ยนะมากน้อยเราก็ได้เพราะกูจะสรุปเรื่องพาหิยะให้ฟังหนึ่งพาหิยะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนักบวชก็บรรลุทำได้ ทีนี้เขาเอาเรื่องภยยะว่าเออบรรลุทำแล้วเนี่ยไม่บวชปุ๊บก็ต้องตายสาเหตุการตายนั้นเนื่องจากมีกรรมเก่านะไปฆ่าโสเพณีนะอันนี้ก็พิสูจน์ว่ากรรมมีจริงพวกครูเคยยกตัวอย่างว่าสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันคนละวันขับรถมายางระเบิด ชายชะกันห้าคนอีกกลุ่มหนึ่งมาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายเราเข้าใจว่าบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะแล้วก็พาหิยะเนี่ยทำไมแค่ไม่จี่นาะทีฟังแล้วบรรลุธรรม พวกเราคิดเรื่องชาติเดียวมีบางคนถามพรอครูว่าพ่อหลังคนหนึ่งเหมือนกันศึกษาประวัติพ่อครูว่าสามชั่วโมงบรรลุธรรมพ่อครูบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ศินห้าบอกไม่ให้ทํำไรพรอครูทํามหมดไม่รู้เรื่องศาสนาเลยแล้วบอกระเบิดปุ๊บถวายชีิตพระพุทธเจ้าพ่อครูรู้ได้อย่างไรเห็นไหมเราเอาข้อมูลเฉพาะชาติเดียววินาทีจิตมันเปิดปุ๊บเนี่ยจิตเรา รู้พระเจ้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยพราะเราไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติไม่เชื่อเรื่องอนาคตาชาติเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เชื่อข้อมูลปัจจุบันนะาหิยะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังธรรมทีหนึ่งก็บรรลุเป็นอรหันต์นะส่วนกรรมที่สร้างมาที่เคยไปฆ่าเขานะก็ถูกฆ่าคืนแต่ไม่ใช่ทุกคนบนรรลุธรรมแล้วไม่บวชแล้วก็ต้องตาย นะมันมันไม่ใช่อันนี้เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งทำไมไม่มีบุญบวชเพราะไม่เคยทำบุญถวายบาตรแล้วก็จีวรมุ่งมั่นมันเป็นเพียรเป็นสองหมื่นปะีนะเรื่องจิตวิญญาณก็ได้แต่ไม่มีบุญบวชนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะสองวันนี้เราได้บวชไม่ชีบวดเนนอันนี้ถือว่าเรามีบุญบวชเราสร้างกุศลมามหาศาล นะก็อย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าหลงตัวเองด้วยอย่าประมาทเพราะว่ากรรมด้านลบเราก็สร้างมาถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกแต่ถ้าเราไม่มีบุญมหาศาลเราก็ไม่ได้มาเกิดอยู่ในร่างมนุษย์ผู้เปรศดแล้วมาเจอคําสอนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้บวชด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเราชนะแล้วครึ่งหนึ่งนะขอให้ทุกคนตั้งมั่นมุ่งมั่นต่อไปและบังเอิญแนวที่เราปฏิบัตินี่อย่าห่วง แนวที่ปฏิบัตินีนมันไม่มีแนววิธีที่ปฏิบัติไม่มีวิธีจิตเราเองจะหาวิธีที่เหมาะกับเราจิตเราเองเนี่ยจะรู้ว่าจิตตัวเองเป็นยังไงเพราะไอแนวนี้เนี่ยไม่มีแนวถ้ามีวิธีตายตัวทุกคนเป็นหุ่นดนเหมือนกันหมดอาจจะถูกกันในกอไอไม่ถูกกันในขอก็ได้นะที่เราทํานี่ไม่มีวิธีมันเป็นนาน า, นาจิตตังขอให้เราเดินต่อ จิตเดิมเรารู้เองว่าจะใช้เทคนิคไหนนะแบบไหนเห็นแต่พรอครูเห็นหแต่พรอครูไม่เคยชอบที่จะบอกอะไรล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นบันทึกเป็นสัญญาใหม่เป็นอุปทานนะขอให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเดินต่อไปนะแค่พลิกจิตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเราไม่มีบุญเยอะ เราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะเด็กๆวัยขนาดนี้ก็ได้มาเจอสิ่งนี้นะพวกครูก็คิดว่าเป็นวิสาขะที่ยิ่งใหญ่ญาติธรรมรุ่นเก่าๆหลายคนนั่งคุยบอครูพระลานคอยมาถึงวันนี้ได้อย่างไรนะพวกครูไม่เคยคิดไม่เคยวางแผนนะเขาเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย ไม่ใช่พวกกคูไปจัดวางให้มันเป็นอย่างนั้นนะก็วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่พวกคูก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินนะเรียนรู้ไปด้วยกันพวกคูก็เริ่มเรียนศึกษาเรื่องภาษาที่เขาพูดเรื่องวิชาการนะพวกคูก็นั่งฟังนะพวกครูก็จะสะดปกให้ฟังว่าเคสพาหิยะนี่เราได้อะไรนะเออเราได้อะไรเราได้รู้เรื่องว่า อดีตกรรมมีจริงอดีตบา ร, รมีมีจริงไม่งั้นไม่เคยไม่ต้องเจริญมรรคเห็นไหมพระหิยะไม่ต้องเจริญมรรคฟังทำแค่ครั้งหนึ่งก็บรรลุทำได้นะพ่อครูเคยตอนออกหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรมญาติที่ทขอร้องให้ออกนะก็มีทั้งก้อนอิดดอกไม้มาด้วยกันเป็นไปได้ยังไงสามชั่วโมงพระพุทธเจ้ายังต้องหพันสาคิดแต่เรื่องชาติเดียวนะเราอย่าไปเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์ พระ อ, องค์ต้องสะสมทั้งหมดต้องอยังรู้ทั้งหมดไม่งั้นเราจะมีผู้ทีเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเห็นไหมพระ อ, องค์มีปัญญามันก็ทั้งแยกแยะเป็นหมวดเป็นหมู่ได้แต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ที่เหมือนกันมีอย่างเดียวคือพ้นทุกเท่านั้นเองนะอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้ธองค์นะไม่ใช่คนละชั้นคนละเรื่องนะดวงจิตแบบนั้นนะ นานๆนนจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยนานๆเนี่ยไม่รู้กี่ล้านล้านชาติละ่ะนะก็เาที่เขาทำนายว่าผู้เจ้าองค์ต่อไปนะนะยุคพระศีอ่านทีนี้พระพุทธองค์ก็ทำนายเองว่าศาสนาพระองค์อยู่ได้ประมาณ 5,000 ันปีตอนนี้มันมาถึงกึ่งพุทธกาลแล้วศา ส, สนาก็กำลังเสื่อมเต็มที่นะ เมื่อเสื่อมลงที่จิตที่ฝึกมาหลายชาติแล้วจะผุดขึ้นมาต่อยอดโลกใบนี้ยังอยู่นะแต่สังคมมนุษย์ที่หลงทางนี่อาจจะถูกทำลายไปนะอย่างน้อยน้อยศาสนาพุทธอยู่ได้ 5,000 ันปียังได้อีกสอ0พันกว่าปีและจะมีศาสนาใหม่ขึ้นมาจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็จังคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีวั น, นสูญสิ้นเพราะมันคือสัจธรรมนะอันนี้วันนี้ก็ได้เทศพรหิยะแล้วก็ วันอาทิตย์หน้าพ่อครูก็จะคัดสรร น, นะ เ, เรามาเรียนรู้กับพระอรหันต์นะดูจากประสบการณ์จริงของท่านเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมบรรลุธรรมได้เร็วทำไมช้ามันมีที่มาที่ไปนะท่านฝึกมาหลายชาติละไอ้ส่วนที่ฝึกมาก็มีโอกาสต่อยอดบรรลุธรรมไอ้ที่สร้างกรรมมาก็ไม่ละเว้นเนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะ นะไม่ใช่พระอรหันต์จะรอดกรรมนะยังโดนกัวนั่นอะไอเรื่องนี้มีจริงนะกรรมมีจริงถ้าพวกคูไม่เห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยพวกคูก็หยุดชีวิตไม่ได้มาอยู่ในป่านี้27ปีนะก็27่สเป็นยีปีที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่ต้องคิดแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะถูกหรือผิดนะก็เนี่ยพรยะหลังจากไปหลงช่วงหนึ่ง คิดว่าตัวเองเป็นอหรหันนะเพราะทุกคนกราบไหว้เพราะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะก็ไปหลงนั่นเนี่ยเราก็เตือนว่าอย่าหลงสภาวะธรรมนะบางคนหลงสภาวะธรรมมีสูงมีต่ำนั้นไม่ใช่แล้วบางคนว่างๆฉันไม่มีอะไรแล้วอันนั้นเป็นแค่สภาวะธรรมว่างมันไม่ใช่ของจริงถ้ามันไม่มีขันห้าไม่มีอะไรมันจะว่างจากอะไรไม่ใช่ว่างๆงเฉพาะอารมณ์ว่างนั้นเป็นแค่สภาวะธรรม หลายคนเข้าไปถึงนั้นก็จะเป็นหลงมันไอตัวที่เราหลงก็เป็นกรรมเน่ยที่เราฝึกให้เรามีจริตแบบนั้นนะจำคาว่าเหวี่ยงทิ้งเดินต่อไปเห็นอะไรก็เวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งไม่ติดดีก็ไม่ติดชั่วก็ไม่ติดนั่นคือทางสายกลางนะก็วันนี้ก็สรุปแค่นี้นะก็ไม่ชีหัวสอบผ่านนะดีมากนะพราะกูกําลังลองนะลองลองดูช่วยกันเรามีโอกาสแสดงธรรม เราก็เป็นผู้ให้ถึงมาอ่านเฉยๆนี่เราแสดงธรรมเราเป็นผู้ให้แล้วก็ได้บา ร, รมีนะส่วนคนฟังแล้วเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่ได้เลยก็ได้ฝึกขันตินะอดทนฟังจนมันจบเราก็ได้ขันติบา ร, รมีนะไม่มีอะไรเสียหายก็คืนนี้ก็จบแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระษีรัตนาไตร